เพรความเจริญในธรรมจุมีแตท่านผู้ฟังเทงลาไรใต้ร่มพระโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องตอนพยามารมาเบียดเบียนพระพุทธเจ้านะครับเมื่อหลังจากประทรับเสวยมุติสุขมาถึงสัปดาห์ที่แปดคือจบการประทรับเสวยมุติสุขแล้วก็เสด็จประทรับอยู่ที่ต้นไทรเชื่อจะปานิโครด พยามานก็เข้ามาแล้วก็ทูลถามว่าท่านถูกความโศกทับถมหรือจึงได้มาซบเซาอยู่ในป่าอย่างนี้ท่านเสื่อมจากทราบเครื่องปลื้มใจแล้วหรือหรือว่ากำลังปรารถนาอยู่ท่านได้ทำความชั่วอะไระไรไว้ในบ้านหรือเหตุใดท่านจึงไม่ทำมิตรภาพกับชนทั่วไปเล่า หรือว่าท่านทํามิตรภาพกับใครๆไม่สําเร็จผู้เจ้ารับสั่งว่าดูก่อนมารผู้เป็นเผ่าพันธ์ของบุคคลผู้ประมาทแล้วเราขุดรากของความโศกทั้งหมดแล้วไม่มีความชั่วไม่เศร้าโศกเพ่งอยู่เราชนะความติดแน่นกล่าวคือความโลภในภพทั้งหมดเป็นผู้ไม่มีอาสวะเพ่งอยู่พยามารก็กล่าวว่า ถ้าใจของท่านยังคล้องอยู่ในสิ่งที่ชนทั 2, ้งหลายกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นของเราและว่าสิ่งนี้เป็นเราแล้วสมณะท่านจะไม่พ้นเราไปได้พู้เจ้ารับสั่งว่าสิ่งที่ชนทั้งหลายกล่าวว่าเป็นของเรานั้นย่อมไม่เป็นของเราและสิ่งที่ชนทั้งหลายกล่าวว่าเป็นเราก็ไม่เป็นเราเหมือนกันดูก่อนมาผู้มีบาท่านจงทราบอย่างนี้เถิด แม้ท่านเองก็จะไม่เป็นทางของเราคือเป็นการแสดงความจริงระดับสัจจะก็เรียกว่าปารมัตร์สัจจะคือความจริงที่แท้จริงแต่อย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาแสดงความจริงสองชั้นนะครความจริงชั้นสมมติกับความจริงชั้นปรมัตร์แม้เราจะเข้าถึงปรมัตร์แต่ว่าจิตจะต้องยอมรับสมมตุติ คือคล้อยตามโลกไปอย่างที่พระอาจารย์รับสั่งว่าตถาคตไม่ทะเลาะ ก, กับโลกจะมีแต่ทะเลาะโลกมันทะเลาะ ก, กับต ถ, ถาคตเองคือหมายความความคิดแบบชาวโลกที่เขาสมมุติบัญญัติก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าจิตใจไม่ไปยึดมันม่นถือมั่นก็คล้ายๆกับอย่างนี้คล้ายๆกับท่านที่เป็นพระโสดาบันเนี่ย โดยเน้นว่าพระโสดบันท่นละศักยาติชิแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลรัตประมาเนี่ยการถือบ้านโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติที่ไม่ยุติโดยผลและความดีทั้งหลายเนี่ยแต่เวลาใครไปงมงายอย่างนั้นไปหลงบูชาสักการะสิ่งที่เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์บนบานสารกล่าวไดรเนี่ยเขาไม่ไปว่าหรอกเพราะอะไรเพราะว่า จะมองคนเหล่านั้นด้วยความเห็นใจเข้าใจแล้วก็สงสารเขาอันนี้คือจุดพลาดในการประบัติธรรมาของชาวเราทั้งหลายลองสังเกตนะจะไปชอบซ้าเติมคนอื่นหรือว่าไปด่า ว, ว่าคนที่เขาทำผิดแล้วเข้าใจวันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง แต่วิธีการที่ถูกต้องของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าจะมองเขาด้วยความกรุณาก็น่าสงสารน่าสงสารแบบเด็กเล่นตุ๊ ก, กาตาเนี่ยมันก็น่าสงสารอย่างบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่ามีการโจมตีการบูชาเทวดาการบูชาพรบภูมิการเส้นสวงการจนถึ ง, ถงการสร้างสารรค์หลักเมืองอะไรต่าๆเนี่ยจบทีกันอุตริแต่ปัญหามันได้อะไร วิธีการของพุทธเนี่ยเขาไม่ไปแตะของที่เขาการะลุกแต่เขาจะยกจิตหนีจากสิ่งเหล่านั้นคือว่าให้เศษผลสติปัญญาแก่เขาไปเขาตัดสินเองเขาเลือกประพฤติปฏิบัติเองมันเหมือนกับเราพูดถึงถึงโทษของบุรีเนี่ยเราจะไม่ไปเอาบุรีเข้ามาทำลายเพราะบุรีมันเป็นทรัพย์ ไปทำลายก็เป็นอาทินาทานแล้วก็เป็นพรานนะถ้าเป็นพระสมมติว่าเอาบุหรี่ก็ลูกศิษย์มาโยนทิ้งซะเลยอย่างเงี้ยนะราคาสามสิบบาทนะไม่ใช่ตังตอกตังมันเป็นทรัพย์ที่เราไปทำลายไม่ได้คือบางครัง้งบางคราวเนี่ยเราขาดความละเมิดละไม่ขาดความสำนึกสำเนียกในเรื่องดอก น, นี้ เป็นแนะนําไม่ทุบไปทําลายแล้วเอามาทุบมาทําลายซะเองพระไปทำอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นผลนเป็นผลนทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นแต่เราจะพัฒนาจิตใจเขาให้ผลสติปัญญาแก่เขาเขาเชื่อก็ประพฤติปฏิบัติก็ เ, เป็นเรื่องของเขาเขาไม่เชื่อไม่ประพฤติปฏิบัติก็ เ, เป็นเรื่องของเขาคือเราการุณาเขาแล้วแต่ว่าช่วยไม่ได้ก็คือไม่ได้ แต่เราปรนน่าแล้เราช่วยคนได้หมดโลกมันก็ไม่เป็นอย่างเนี้ยโลกมันก็เป็นโลกอย่างนั้นเนี่ยมันช่วยได้สำหรับคนบางพวกกั่นั่นเองนั้นอาการที่จิตของบุคคลซึ่งไปยึดติดว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นเราเนี่ยมันอาศัยความเห็นเป็นตัวตน หมายความว่ามี ต, วตวรวจตนให้ปลนเปรือให้ดูแลเอาใจใส่ให้ทนุถนอมแต่นั้นก็คือระดับของโลกเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจที่เรามีปัญหาเนี่ยเราสังเกตว่ามีปัญหาเนี่ยบางทีมันเป็นปัญหาระดับอารมณ์ระดับสังคมแต่ถ้าเราทำใจยอมรับตึงความจริงความจริงของสความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นคือมองตำกดของประไตรลักนี เนนจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะในประเด็นตรงนี้มันก็นเน้นที่ประเด็นอนัตตาและเราสังเกตเ่าเน้นประเด็นเดียวคือไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวตนให้เป็นเจ้าของเนื่องจากตัวตวเองมันก็ไม่มีอย่งทรงแสดงไว้ว่าบุคคลด้วยบุนเพอ้อไป ว่าเรือกสวนได้นาของเราทรัพย์สินกันทองของเราญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราลูกของเราอะไร ต, าต่างๆเนี่ยบุเพือไปเรื่อยๆนี่ยแต่ในแง่ของความจริงที่แท้จริงเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองมันยังไม่เป็นของเราสิ่งเหล่านั้นข้านอกวเรามันจะเป็นของเราได้ยังไง น, นั่นคือสัจจภาวะเป็นความจริงที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในรูปของสังคมเนี่ย เราจะพบว่าพระพุทธเจ้าก็ใช้คําอย่างที่เคยบอกไว้ตอนนลึกชาติเนี่ยตอนชาดกเนี่ยก็ใช้คําภาษาธรรมดานี่แหละเหล่านั้นเมื่อเป็นพระโพติสัตว์ยังไม่ได้จัดสรู้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนสึกไปแล้วอะไรอยู่อ่าพระเวสสันดรในครั้งนั้นได้มีได้มาเป็นตาถาคตในครั้งนี้มัสยีในครั้งนั้นได้ไมาเป็นมารดาราหุนในครั้งนี้อะไรอะไรเนี่ยอันนั้นก็คือภาษาธรรมดา ภาษาสมมติบัญญัติที่ต้องเข้าใจว่าตรงนี้พูดระดับสมมุติบัญญตัติแต่ว่ามาเนี่ยถ้ายังยึดติดในสมมุติบัญญัตินั่นอยู่ก็แสดงว่าอยู่ในเงื่มมือของมาเมื่อเมื่อมันตรบใดที่มีตัวตนเนี่ยมันต้องมีของตนแล้วก็ยึดติดในความเป็นของตนแต่เมื่อเข้าถึงความจริงว่าไม่มี ออย่างที่ทรงแสดงไว้ในธรรมในในนัตตลักณสูตรเนี่ยกล่าวโดยสรุปไปนะฮะก็ความตัวนี้ไพเราะมากโดยเฉพาขยายเนี่ยขยายได้เยอะเลยอดูกรพิสูจน์ทั้งหลายโดยโดยสรุปนะฮะขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาวก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประหนี่ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันห้านั้นก็สักดิแต่ว่าขันห้ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนของเราข้อ น, นี้อันเธอทั้งหลายพึงเหตุ ด, ด้วยปัญญาเที่ยงตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้แล้วก็รับสั่งต่อไปว่าพิสูจน์ทั้งหลายริยาสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างเนี้ยย่อมเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมืเอ่อเบื่อหน่ายไปจะกลายกำหนดัดประกายกำหนัดจิตกรพนเมื่อจิตพุนก็นนนเกิดยานผุดขึ้นมาว่าเราหลุดพ้นแล้วดยงนี้ แล้วก็รู้ต่อไปว่าชาติสิ้นแล้วพระม ร, รย์ได้อยู่จบแล้วกิจทีควรทำนั้นะทำเสร็จแล้วกิจอื่นๆเพื่อความเป็นอย่างนี้ไปได้มีในทีน่นี้ทรงเน้นที่กิเลสสมานนะฮะลองสังเกตว่าทรงเน้นที่กิเลสสมานแล้วก็กับเทวปุตตมานที่สาคัญอย่างยิ่งกับแม้ท่านเองก็จะไม่เป็นทางของเราคือหมายความว่าพระองค์เองก็ไม่อยู่ในหน้าของเตะ เทวุตมะ น, นะฮะเพราะฉะั้นเราจะพบว่าเทวุตมะเ น, นี่มาก็เรียกว่ารบมุมจออยู่ตลอดนะพร้อมมาเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นมาเชิญพระพุทธเจ้าไปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอะไรวุ่นแกวุ่นไม่หยุดฮนะจนถึงมาอราตนาพระเจ้านิพพานนะฮะแกยิงเลิกตามกูโกอนอยู่ตลอดเวลาสี่สิบห้าปีเทวุตมะตัว น, นี้นะกโกนพระเจ้าอยู่ตลอดแต่พอโผล่หน้าพระเจ้าก็รู้จักก็ที พนมานต้องรู้จักมันทาความรู้จักกับมันไม่ว่าจะเป็นกิเลสสมานไม่ว่าขันธ์มารไม่ว่าอภิสังขารมารหรือมัจจุมารก็ตามทำความรู้จักกับมันแล้วก็อย่ายอมอย่ายอมสยบกับนาอิทิพนของมันแล้วชนะในบางครั้งบางคราวบางค่าไปได้เพราะต่างหากว่า เราแพ้แพ้ตอมหน้าของมันมันจะบังคับผักใสเสือกใสให้สูญเสียการทรงตัวสูญเสียคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตความเป็นนักปราชญ์และความเป็นบิณฑุชนปุญาทรงรู้จักมามาร์าากี่ครั้งก็ไม่มีความหมายอะไรอะฮะเกิดมาเยอะมาเนี่ยมาใ น, ในธรรมบทแห่งเดียวเนี่ยก็มีทั้งหลายครั้งนะฮะมา ส่วมากก็ปลอมตัวเป็นคนหนุ่มบ้างเป็นพรามบ้างเป็นคนชะลาบ้างก็แล้วแต่แกก็ทำกันแกเรื่อยและแกก็ไม่อายอะพระพุทธเจ้ารู้จักทุกทีแกก็ยังมาอยู่เนี่ยทีนี้มารก็มีลักษณะค่างต่อรองคือว่าการที่พระเจ้าหลุดพ้นจากอํานาจของเทพบุตรมารเนี่ยหมายความว่าหลุดพ้นจากมารทุกชนิดด้วยและถ้าพระเจ้าเกิดไปสั่งสอนเข้า มันก็นําให้คนอื่นหลุดพ้นจากอานาจของมารด้วยแกก็พูดในเงื่อนไขต่อรองซึ่งข้อความตรงเนี้ยมันไปปรากฏในมหาปริพัธ์ในสูตรหรือก่อนที่พระเจ้าจะปรองระชงมายุสังขารเนี่ยคือไม่ลูกคราวเดียวกันหรือไม่แต่ข้อความเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าแนวเดียวกัน พยาบาลก็กลับทูลว่าถ้าท่านรู้จักทางกานปลอดภัยเป็นที่ไปสู่อ ม, มะตะมหานิพพานนะก็จงหลีกไปแต่คนเดียวเถิดจะพร่ำสอนคนอื่นทำไมเล่าข้อความตัวนี้ยทำให้น่าคิดว่ามันนา จ, จะเกิดหลังจากที่สัมปดีพรมมา กราบูรัต น, นาให้แสดงธรรมก็ได้แต่ก็ความมันไม่ต่อเนื่องถึงนั้นนั้นมานก็ขอร้องนะฮะทํานองขอร้องอ้อนวอนแล้วก็ยอมยอมจำนวแล้วจะไปพร่ำสอนคนอื่นทำไมพระเจ้ารับสั่งว่าคนเหล่าใดมุ่งไปสู่ฝั่งย่อมถึงนิพพานอันไม่ใช่โอกาสของมาร เราถูกชนเหล่านั้นถามแล้วจักบอกว่าสิ่งใดเป็นความจริงสิ่งนั้นหาอุปาิกิเลสไม่ได้ก็ะมายความว่าพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมไปตามคำาราธนากับสั่งสอนของคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตอนสามโมดีพร ม, มกับภูณาราธนาเนี่ยเราสั่งว่าประตูอมตะเราเปิดแล้วตามคำาราธนาของท่าน ชนทั้งหลายจงน้อมศรัทธามันเทิทีนี้ประเด็นตัวเนี้เราจะเห็นว่าเป็นการแสดงถึงหลักการหรืออุดมการในการทำงานของพระพุทธเจ้าที่ว่าชนเราได้มุ่งไปสู่ฝั่งย่อมถึงนิพพานเป็นการพูดถึงแม่น้ำทะเลหมาสมุทรอะไรก็ตามนะว่ามันเป็นที่ที่พัดผ่านคน ไหลหมุนวนอยู่ในสถานที่นัน้นบางครั้งเราจึงพบที่ทรงแสดงเป็นตัวอย่างเทียบเคียงให้เห็นเห็นว่าผู้ถึงคนตกลงไปในกระแสน้ําแต่กระแสน้ําที่เป็นรูปธรรมอ่ะกระแสน้ําธรรมดานี่ยนะมันเป็นรูปธรรมที่จะสื่อสารไปสู่กระแสของกิเลสกระแสก็สังสาระวัดกระแสของความทุกข์ก็ สงแสดงว่าคนบางคนก็ตกลงไปในกระแสน้ำแล้วก็จมหายไปเลยมันเหมือนกระแสกิเลสกระแสของอบยมุกกระแสของปัาญาเสพติดทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยเราลองสังเกตว่าคนบางคนก็จมหายไปเลยตายไปในฐานะของผู้เศษยาบ้าผู้จะจำหนาจะแจกยาบ้าหรือว่าผู้ที่เป็นโรคเอดสเป็นต้นเนี่ย นั่นก็คือพวกติดจมไปตามกระแสของกิเลสแล้วคนบางพวกในจมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นได้แต่จมอีกเป็นลักษณะของคนที่ทํางานสับสนไม่ปฏิติตอ่อเรียวผีข้าวผีออกทําความดีก็ไม่ต่อเนื่องความยำความชั่วก็ไม่ต่อเนื่องเกถ้าชั่วต่อเนื่องก็จมไปเลยนะฮะอันนี้มันไม่ต่อเนื่อง แลวก็โผล่โปรโคนอีกพวกหนึ่งนั้นพอประคองตัวไม่ให้จมน้ำได้นั่นก็คือการยาภูปุชนโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็ปร ะ, ประคองตัวได้อย่างวันนึกถึงพระเนี่ยพระที่จริงไม่ค่อยเข้มแข็งอะไรหรอกพระพุทธเจ้าจึงสร้างบรรยากาศใหม่ให้ไม่มีตัวกระตุ้น ไม่มีรูปสวยๆไม่มีเสียงไพเราะไม่มีกลิ่นหอมๆไม่มีรสอร่อยไม่มีสัมผัสน่าจะต้องมากระตุ้นให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดียินดีไปอยู่ตามป่าตามถ้ำตามโคนไม้อยู่ในวัดวาอารามซึ่งมีบริเวณต่างๆเนี่ยที่จริงก็ช่วยเสริมช่วยเสริมความแข็งแกร่งในด้านจิตใจแต่ว่าบางเรื่องก็เสี่ยงนะเพราะว่ามันไม่มีการต้านทานอารมณ์ เพราะถ้าเราดูแนวที่เรียกว่าพระป่านะพระจะอยู่ป่า น, น, นานๆเนี่ยมาเจอแสงสีและจะเพี้ยนนะจะเปะเ๋เพราะว่าไอ้สัญชาตญาณเดิมเนี่ยมันออกมาก็ในสมัยพุทธกาลเองบางทีพระฤาษีจะอยู่ในป่าในดงแล้วก็ออกมาในเมืองไปเจอภาพสวยๆ งามๆเข้าแล้วก็เป๊ะสุขาราเพศเออกไปเยอะแล้วในการที่ได้พบเห็นอารมณ์บางอย่างเนี่ยถ้ามีปัญญากำกับทันนะมีข้อแม้ว่ามีสติสัมปชัญญะกากับทันเนียมันก็ช่วยเสริมเสริมการมองการคิดของคนเสริมปัญญาในการตรวจสอบในการพิจารณาได้ระดับหนึ่งจะตามปกติแล้ววินัยจะไม่ให้เสียงสลองสังเกตในเรื่องเพศเนี่ย ห้ามพระนั่งในที่รับตารับหูก็ผู้หญิงสองต่อสองต้องมีคนอื่นนั่งอยู่ด้วยมันไม่ต้องถึงก็พูดไม่ต้องถึงก็จับต้องนะฮะพูดเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยนะต้องอบับดั้งนั่นไนงะแต่ว่าต้องเจตนานะฮะไม่ใช่ว่าคนก็ไปตีความอาเองคือบางทีในการอธิบายธรรมะเนี่ยมันก็ข้อต้ใจคนเหมือนกันแต่คนคิดเอามันก็คิดเอาได้นะ แต่ว่าเราไม่ได้เจตนาที่จะไปกระทบใจอย่างนั้นเพราะาอาบัติจึงเกิดขึ้นโดยเจตนาของผู้ต้องมันไม่คนอื่นกล่าวว่าเป็นอาบัติทีนี้พยามาณที่มามองอย่างนั้นคือต้องการที่จะลดจำนวนคนไปสู่นิพพาน แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ใดมุ่งไปสู่ฝั่งคือนิพพานเนี่ยมันไม่ได้ยอยู่คนสามประเภทแรกนะครคนที่เข้าถึงฝั่งนิพพานเนี่ยมันต้องขึ้นมายืนบนข้างบนได้นะก็นับเป็นปสูติบัณฑ์เพราะงั้นก็นับเป็นเจ็ดประเภทเราเจอว่าอยู่ข้างล่างเจะสามประเภทสูตรในกระแสน้สําะสามประเภทแล้วก็อยู่ข้างบนใน้สี่ประเภทก็คือพระญา บ, บุคคลทั้งสี่ประเภทก็รวมแล้วก็เป็นเจ็ดประเภทนี่ก็ถือว่าเป็นปริยายในการสอนในการแสดง พูดถึงฝั่งพูดถึงสาครพูดถึงน้ําพูดถึงสัตว์ ร, ร้ายในในน้ําอะไรต่างๆเนี่อย่างเช่นทรงแสดงถึงไพร์นะไพร์คือน้ําวนไพร์คือคลื่นไพร์คือจระเข้ไพรคือปลาฉลามร้ายมันอยู่ในแม่น้ํำอหละอยู่ในทะเลอะไรแล้วถ้าเราตกลงไปเนี่ยนะไพร์คือวางน้ําวนมันก็คือ จิตที่กำหนัดเพลอดเพลินที่จมยินดีในพวกวัตถุการมทั้งหลายนะฮะเราสังเกตพวกเทีบท่บาเที่ยวผับอะไรแต่ไหเนี่ยมันซ้ำซากๆอะ่ะบางทีเท่าแก่แล้วยังไม่เลิกราเลยแต่เมื่อกวังน้ําวนมันไม่มีอะไรเลยซ้าแล้วซ้าอกีกอย่นั้นดื่มเหล้าแล้วดื่มเหล้าอกีกอันนี้คือพวกตกอยู่ในหวังน้ำนํำวนไขว้คว้าปรารถนารูปสวยเสียงไป ร, อร้อกริ่น้อมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องไปเรื่อย อีกพวกหนึ่งนั้นมันเหมือนกับคลื่นมันกระแท่กระทันก็คืออารมณ์โกรธอารมณ์ที่ถูกยั่ว ย, ยุมาจากข้างนอกแล้วเกิดเป็นอารมณ์โกรธคล้ายๆกับเราโดนคลื่นซัดในทะเลเนี่ยมันก็เจ็บปวดนะแล้วอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนไดจ้จะระคือเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความบทดอยากผิวโหยไม่ได้อยากกินนั่นอยากกินที่อยากกินน้อนไปไเรื่อย ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออีกหนึ่นงก็คือเหมือนกับปลาร้ายปลาปีรัญญาหรือปลาอะไรก็แล้วแต่นะเขาพูดว่าปลราร้ายก็หมายความว่าเพศตรงกันข้ามไม่ได้หมายถึงผู้หญิงผู้ชายนะฮะหมายความว่าผู้ชายก็เป็นปลราร้ายของผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นปลราร้ายของผู้ชายในแง่ไรในแง่ของเรื่องเพศ คนนี้เป็นการพูดถึงจะไปนิพพานนะนิพพานในเรื่องเหล่านี้อาศัยไม่ได้ท่านบอกให้ชักสะพานคือเมถุนุกรรมมราคะนี่อาศัยไปนิพพานไม่ได้เนะี่ยต้องชักสะพานเลยเพราะแนวศีลจึงปรับระดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องการจะชักสะพานแต่แน่นอนนะฮะชักได้บางไม่ได้บางมันก็อีกเรื่องนึง คือเข้าไปกลายไปอะไรตัณหานี่อาศัยก็ได้นะฮะตัณหาอาศัยเป็นิพพานได้แต่ว่าเมถุนเนี่ยอาศัยไม่ได้การมราคะเนี่ยอาศัยไม่ได้เพราะมันก่อให้เกิดการสยบติดมีความกำหนัดเพลิดเพลิพนชึ่นจมย็นดีในเรื่องเหล่านั้นทีนี้ถ้าท่านไปถึงนิพพานแล้วก็ไม่ใช่โอกาสที่มารจะเข้าไปสอดแทรกได้คือมารทั้งห้าประเภทแหละถ้าท่านถึงนิพพานแล้วเนี่ยมารก็ไม่สามารถจะสอดแทรกได้ ส่วนมาพระองค์เองเวลาชนเหล่านั้นถามก็จะบอกถึงได้เป็นความจริงสิ่งนั้นก็จะหาอุปธิไม่ได้คําว่าอุปธิกิเลสเนี่ยอุปธิมันมีความหมายหลายอย่างเนะี่บางทีพูดถึงกรรมก็เรียกกรรมโมบติบางทีพูดถึงกิเลสเรียกกิเลสูบัติบางทีพูดถึงขันเรียกว่าขันทูบัติแต่สรุปว่าอยู่ในกลุ่มของทุกข์กสุเมตัยนะ กลัมอุปธิ์นี่อยู่ในกลุ่มของทุกขสมุทยัยเพราะนั้นพวกพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ท่านจึงทํำลายอุปธิหมายความมาทําลายทุกขสมุทัยได้ด้วยการปฏิบัติตามมาริมักเบงแปดประการได้จะเข้าถึงการดับเพลิงกิเลสได้เพลิงทุกที่เราเรียกว่านิโรธตอนนี้พยามารเป็นเป็นเทวปุตตมานนะฮะเป็นเทวปุตตมานแล้วก็ แต่นั้นมารก็กราบทูลก <c oughs> ออ็ยอมจำนวนนะฮะยอมจำนวนบอกว่ามันเหมือนเด็กๆจับปูขึ้นจากสระน้ำทำลายก้ามของปูจนหมดปูตัวนั้นก็ไม่อาจลงไปในสระน้ำได้อีกต่อไปเช่นใดอารมณ์ทุกชนิดอันเป็นวิสัยของมารคือรูปเสียงกลิ่นรสผฏภัธรรมารมเนี่ยอารมณ์ของมารมีเท่านั้นนะฮะอันทำให้สัตว์เสพติด ดิ้นรนอารมณ์เหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตัดรอนหักลานย่ำยีหมดแล้วยอมแพ้นะฮะตอนนั้นพยามางก็ยอมแพ้บอกบันนี้ข้าพระองค์ผู้คอยหาโอกาสี๋วยวไม่อาจเข้าใกล้พระผู้มีพระภาคได้อีกเชนนั้นก็แสดงอาการท้อถอย ห, หดหู่ก็แสดงในความเบื่อหน่าย ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผงกาเห็นก้อนหินมีสีดุดมันข้นจึงบินเข้าไปใกล้โดยเข้าใจว่าเราทั้งหลายพึงประสบอาหารในที่นี้เป็นแน่ความยินดีพึงมีโดยแท้เมื่อพยายามอยู่ก็ไม่ได้อาหารสมประสงค์ในที่นั้นจึงบินไปท่านท่านเองก็เหมือนกับอิกาอิกาไปมองก้อนหินเป็นอาหารนะฮะก็ลงมาเลยเจ็บทั้งตัวทั้งปีกทั้งปากไปเลย ก็เป็นอุปมาได้คมต้องฟังทั้งหลายแต่ลมประภติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี